เบื้องล่างบัดนี้มืดสนิทลงแล้วและเห็นแสงใต้จากพวกกะเรียงอพยพเป็นดวงไฟอยู่วอมแหวมสพบหรปไปหมดเสียงสายลมค่ำผ่านโขดหินคลางอยู่วีดวื้เย็นเฉียบลงอย่างรวดเร็วโบเมียนายบ้านของตะเคียนทองกับพรรคพวกชายชะกันสามสี่คนกูตะโกนผู้จ่าส่งภาษาอะไรวกเวกอยู่กระเกิดและเซย แล้วกระเรียงชะกันแข็งแรงเหล่านั้นก็พากันไต่ทางขึ้นมาเพื่อที่จะสมทบลูกบ้านที่อบพยพกันมาทั้งหมดก็หยุดยั้งกันอยู่ใต้ตีนผาบริเวณที่ถูกโถมทับด้วยภูเขาหินถล่มนั่นเองเพื่อรอคำสั่งต่อไปบินสแตลลีคงนอนนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นวิทยุทุกเครื่องที่เปิดไว้ก็เงียบกริบ ไม่มีสัญญาณเรียกใดๆมาจากคริสติน่าเชิดบุตรบุญคำหรือจันเลยซึ่งถ้าจะนับเวลาตั้งแต่ภูผาทล่มจนถึงบัดนี้มันกว่ายี่สิบนาทีเข้าแล้วบรรยากาศตึงเครียดยังปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณของภูผาที่ทล่มทลายลงท่างกลางความรุ่มร้อนกระวนกระวายใจของแต่ละคน ซึ่งไม่อาจทำนายอนาคตของกลุ่มบุคคลชั้นหัวหน้าได้ซึ่งบ้างก็สงบแน่นิ่งและบ้างก็สูญหายไปเฉยๆชนิดไม่ได้ข่าวคราวใดๆในขณะนี้เลยประมาณสีหนาทีที่อิสเบนง่วนอยู่กับการแก้ไขด็อเตอร์สแตนลีย์ซึ่งบัด น, นี้ตำแหน่งที่พักพวกมาล้อมุงดูอยู่นั้นจุดสว่างพร้าวไปด้วยแสงใต้กับตะเกียงหลอดนีออน ที่ใช้แบตเตอรี่ทุกคนที่เฝ้าล้อมดูเงียบเงียบรวมทั้งระพินและคิดที่สงบจิตสวดภาวนาอยู่ก็ได้ยินเสียงหมอเบลอุทานออกมาเบาๆอย่างยินดีพร้อมกับร้องเรียกชื่อหัวหน้าคณะทีทีระพินกับคีดหันควักมาทันทีแล้วก็เห็นเมริกันอาวุโสหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียสสงบสงเงยันกายขึ้นมาโดยมีอิสเบลประคองให้ทรงกายนั่ง อาการของเขาอย่างนี้เหมือนนักมวยที่ถูกน็อกคาวเวทีกรรมการนับสิบไปแล้วแต่เพิ่งจะรู้ตัวขึ้นมาได้โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยงทั้งจอมพรานและนายคีตก็เข้ามาประกบชิดตัวสแตนลีพร้อมกันคนหนึ่งเรียกหนักๆว่าด็อกเตอร์ส่วนอีคนหนึ่งแทบตะโกนออกมาว่าเ hey, ฮ้บ๊อกบินสเตนลีลืมตาสีฟ้าขุ่นๆของเขาสว่างโพลงขึ้น เอามือลูบคลาที่ท้ายถอยตัวเองพวกเราทุกคนเป็นยังไงบ้างนั่นเป็นประโยคแรกที่เขาเอ่ยถามขึ้นแหบแห้งทันทีที่รู้ตัวมองหน้าหมอเบลที่กำลังประคองอยู่ระพินเละคีดผู้นั่งชะโ ง, งกหน้าเข้ามาจาักจ้องดูเขาอยู่ใกล้ๆฝ่ายที่กำลังมุงล้อมอยู่ในขณะ น, นี้ใจชื้นขึ้นทันทีจากคำถามประโยคนั้นของสเตลลีย์ เพราะมันเป็นสัญญาณบอกได้ชัดว่าสติสัมปชัญญะความทรงจำของหัวหน้าคณะยังมีอยู่ครบถ้วนไม่ได้เลื่ อ, อนหรือมีอาการหนักหน้ากังวลอย่างใดทั้งสิ้นนี่อย่าเพิ่งถามถึงใครอื่นก่อนเลยบ๊อกเอาว่าตัวแกเองขนาดนี้นะเป็นไงมากคิดผู้อยู่ในฐานะใต้บังคับบัญชาแต่แท้จริงแล้วสนิทกันเช่นเพื่อนถามมาโดยเร็วพร้อมทั้งเอื้อมมือมาเขย่าเบาๆที่ไหล สเตลีขยับตัวแล้วแยกเขี้ยวครางออกมาคำหนึ่งเมื่อพยายามจะหดขาเข้ามาจากนั้นเขาก็เอี้ยวกายดัดคอและตรวจดูสภาพของร่างกายตนเองโดยการขยือนขยับจากท่านั่งที่เบนยังประคองอยู่ฉันไม่เป็นอะไรมากเนี่ยคงจะหล่นลงมากระแทกขินหมดสติไปชั่วขณะเท่านั้นยังเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ย อีกสิบห้านาทีจะทุ่มตรงนะครับห่างจากเวลาเกิดเหตุเรา25ห้านาทีก็แปลว่าคุณหมดสติไปร่วมร่วมครึ่งชั่วโมงพวกเราช่วยกันค้นพบคุณนอนติดค้างอยู่ตรงนี้เมื่อไม่เกินสิบนาทีที่แล้วมันนี่เองแล้วก็พยายามแก้ไขอยู่สุภาพบุรุษภัยตอบคำพูดเขาเบาๆแต่ชัดเจนและรวดเร็วมากสเตลีซอยเปลือกตาทีที ประสาทหูรับฟังคำตอบนั้นได้ทุกท้อยกระทงความไม่มีอาการเลอะเลือนหรือแช่มชาไปทั้งสิ้นเขาครางออกมาแหบห้าวเอามือทั้งสองขึ้นรูปตามใบหน้าคิดเอากระติกบรรจุแบรนดีส่งให้เบรผู้ประคองอยู่ทันทีหล่อนรับมาบรรจงกรอกให้ที่ริมฝีปากแห้งผากนั้นสไตลีจิบเข้าไปสองอึก แล้วถอนใจยาวเยื่อแววตาเริ่มมีประกายขึ้นทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมไม่เป็นอะไรมากนักหรอกแล้วก่อนที่หัวหน้าคณะจะ ก, กล่าวเช่นไรต่อไปเบลก็ถามสวนมาทันทีอย่างเป็นห่วงว่ารู้สึกปวดศีศรษะอย่างแรงหรือเปล่าละคะเนี่ยเป็นไงบ้างในความรู้สึกส่วนสมองอะ เจ็บระบมข้างนอกตั้งแต่หัวไปจนตลอดลายเท้าเลยแต่ในสมองไม่รู้สึกปวดอะไรนะนอกจากมึนๆไปนิดหน่อยเท่านั้นจำได้ครั้งสุดท้ายว่าแรงสะเทือนตอนหินเริ่มถลม่มทำให้หลุดจากตำแหน่งที่ยืนอยู่ไงหลังลงมาจากนั้นก็หมดความรู้สึกไประพินคิดเบ ประโยกหลังเขาเอ่ยเรียกชื่อบุคคลที่เห็นแวดล้อมอยู่ใกล้ๆรอบตัวไปทีละคนบุคคณไม่เป็นไรเหรอเรียบร้อยดีป่ะเราสามคนก็บาดเจ็บกันบ้างเล็กๆ น, น้อยๆล่ะคาจารย์เบนเป็นคนตอบรู้สึกล่อนจะปลอดโปร่งใจขึ้นมากเมื่อเห็นนากการของหัวหน้าคณะแล้วพิงโชคดีกว่าเพื่อนแทบจะไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็รู้สึกตัวเป็นคนแร้ ต่อมาก็คือฉันที่รู้สึกตัวเป็นคนที่สองเราช่วยกันค้นหาคิดเป็นคนถัดไปเขาบาเดเจ็บมีแผลแผลสดุดเพราะว่าหน้ากระแทกขินฉีกแต่ก็ไม่หนักอะไรนะักพอ ร, รวมกันได้สามคนก็ติดตามค้นห า, าจา์นี่แหละระพินสั่งให้พรานของเขาช่วยกันออกแยกหาด้วยก็พบมันนอนหมดสติตรงนี้กะดูจากระยะที่อาจารย์กลิ้งหล่นลงมา ห่างจากจุดที่ยืนเดิมประมาณสัก30เมตรก็คงจะกลิ้งระหินลงมาตามลำดับขั้นแต่ไม่มีหินร่วงก้อนใดมากระแทกซ้ำถ้าอาจารย์ไม่รู้สึกปวดในสมองอย่างรุนแรงก็ปลอดภัยแล้วคะ่ะเพราะร่างกายภายนอกไม่มีอะไรชำรุดเลยนอกจากรอยฟกช้ำดำเขียวแล้วเลือด ก, ก็ไม่ออกแม้แต่ซักหยดแสดงว่าไม่มีบาดแผลและกระดูกส่วนใดๆก็ไม่มีหัก หัวหน้าคณะนิ่งงันไปชั่วขณะจิตระพินก็บอกมาทันทีว่าในโปรดทดลองยืนขึ้นสิครับด็อเตอร์สตาลีเกาะก้อนหินพยายามทรงกายขึ้นยืนคิดกระเบนจะช่วยประคองแต่ระพินร้องห้ามไว้เพื่อจะสังเกตอาการก็ปรากฏว่าอเมริกันอาวุโสยืนขึ้นมาได้ด้วยตนเองแล้วก้มๆเงย ทดสอบร่างกายอยู่สองสามครั้งจอมพลานถอนใจออกมาเหมือนยกภูเขาออกไปจาก อ, อกได้เปลาะหนึ่งเบนยิ้มออกมาได้ส่วนคีหัวเราะบ๊อบแกปลอดภัยแน่นอนแหละนี่บอกตรงๆนะตอนที่มาพบแกนอนนิ่งอยู่เนี่ยนึกว่าทารอดก็คงจะเลี้ยงไม่โตอะนอกจากจะนอนเป็นอมพาสไปตลอดชีวิต ชั้นกระพินช่วยกันนั่งภาวานาแทบตายนีแ่แปลว่าพวกเราที่ไต่หน้าผาขึ้นมาทั้งสี่คนรอดปลอดภัยทั้งหมดแล้วแต่ก็สะบักสะบอมกันพอสมควรทีเดียวมีระพินคนเดียวที่แทบจะไม่เก็บอะไรเลยแล้วพวกเราอีกสี่คนข้างล่างล่ะคริสเชิดพุธบุญคำแล้วก็จันน่ะสตลีถามสวนทันทีช่วยได้ไฟฉายมาจากมือของเบนที่ถืออยู่ฉายปราดลงไปเบื้องล่างทันที พร้อมกับครางออกมาอีกคํานึงอย่างตกใจเมื่อมองเห็นช่องแคบแคบอันเป็นทางเดินผ่านตัดหน้าผาที่เคยเห็นอยู่ก่อนนั้นแบบนี้ถูกโถมเต็มไปหมดโดยก้อนหินขนาดต่างๆสูงพเนินสูงสู ง, สงต่ตําๆมองไม่เห็นเข้าโครงของเส้นทางเดินสายเดิมเหลืออยู่เลยและบนแนวกองหินที่ถล่มลงมาไปโถมนั้นก็มองเห็นแสงใต้ของพวกกะเรียงอพยพสว่างเคลื่อนไหวอยู่เป็นจุดจุด เราพวกนั้นชุมนุมกันอยู่ที่นั่นส่วนบางพวกก็กำลังพยายามเดินสองใต้เหมือนค้นหาอะไรอยู่ก่อนที่พวกเราจะค้นพบคุณนอนสลบอยู่ตรงนี้ได้ทดลองวิทยุเรียกแล้วล่ะครับแต่ยังไม่มีเสียงตอบรับจากพวกนั้นผมเข้าใจว่าคลื่นวิทยุคงไม่ถึงกันเพราะพวกนั้นจะต้องหลบเข้าโพรงถ้ำโครงเชิงตีนผาแล้วหินก็ถล่มลงไปกลบบริเวณทาให้ตันทึบไปหมด ก้อนหินมันร่วงลงไปกลบเส้นทางเดิมสูงขึ้นมามากเหลือเกินครับรพินเป็นคนตอบด้วยเสียงปกติเรียบๆของเขาซึ่งมันเป็นตรงข้ามกับความรู้สึกภายในอันร้อนแทบเป็นไฟอยู่ในขณะ น, นี้แต่แสรงฝืนทำกิริยาการให้เป็นสามัญธรรมดาที่สุดคล้ายกับว่าเขาไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรทั้งสิน้นหัวหน้าคณะช่วยได้วิทยุจากคิดขึ้นมาตรวจสอบทันทีพอเห็นว่ามันใช้การได้ และส่งได้ในสภาพปกติก็เรียกขึ้นด้วยเสียงห้าวใหญ่ของเขาจากสเตลลีเรียกคริสเรียกเชิร์ตบูตได้ยินตอบด้วยได้ยินตอบด้วยเสียงของดอเตอร์สเตลลีดังก้องขึ้นที่ลาโพงวิทยุมือถือของเบลกับกระพินซึ่งยืนอยู่เป็นหมู่ ใ, ใ, น ใ, นในกล้ๆ ก, กันเท่านั้นเสียงตอบจากคริสเชิร์ตบูตหรือบุญคากับจันไม่ได้มีขึ้นเลย หัวหน้าคณะมองหน้ารพิน์ขมงิงพวกข้างล่างสี่คนมีวิทยุมือถืออยู่กี่เครื่องแล้วอยู่ที่ไกลบ้างสองครับเครื่องหนึ่งอยู่ที่คริสซึ่งใช้ร่วมกับคุณเชิดบุตรส่วนบุญคำเนะ่ยใช้เครื่องของผมครับไม่มีเสียงตอบรับมาเลยเหรอตลอดระยะเวลาที่ผมยังสลบอยู่รพินฝืนยิ้มสันศีรษะแทนคําตอบ สแตนลีย์เริ่มซอแววกังวลระคนญังขาทันทีเขาพยายามเรียกซ้ำอีกสองสามครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลอยู่เช่นนั้นเอผมว่าแม่หินมันจะถล่มลงไปกลบเส้นทางเดินเป็นจำนวนมากและพวกนั้นหลบเข้าไปในโพรงถ้ำระยะทางมันก็ไม่ใช่ว่าจะห่างไกลอะไรกันนักอย่างมากตำแหน่งที่พวกนั้นอยู่กับเราในขณะนี้ห่างกันก็คงไม่เกิน200อเมตรเท่านั้น คลื่นวิทยุน่าจะแทรกก้อนหินที่กลบใบขึ้นมาได้แล้วก็สมมุติว่าพวกนั้นเมื่อหินถล่มลงไปจะทับซึ่งจะต้องคลานมุดเข้าไปในโพรงถ้ำใต้ภูเขาก่อนที่จะไปไกลก็ควรจะต้องติดต่อกับพวกเราซะก่อนถามไทยซักซ้อมกันให้รู้ว่าต่างฝ่ายต่างเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่และจะมุดไปตามเส้นทางใต้ภูเขายังไงก็ค่อยวักวากันภายหลังแต่นี่มันเงียบฉี่กันไปหมด พวกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่คนเดียวได้ร่วมหมู่กันถึงสี่คนทั้งด้านคนของฝ่ายคุณสองแล้วก็ฝ่ายผมสองเอ๊ะมันถ้าจะพกจะกลใชแล้วแฮะเจ๊ยินบอ๊อบเจ๊ยิ้นก่อนคิดฝืนกลบเกลื่อนปลอบใจไม่คนนึงแต่หางเสียงตัวเองก็ไม่ค่อยจะเป็นสุขนะบริเวณซอกท่านที่พวกนั้นมุดหลบเข้าไป อาจเป็นบริเวณอับคลื่นวิทยุก็ได้อาจเรียกไม่ได้ยินทั้งสองฝ่ายหรือมิฉนั้นก็าอาจได้ยินเฉพาะเสียงของฝ่ายเราและรับฟังรู้เรื่องตลอดหมดแล้วแต่ตอบรับขึ้นมาฝ่ายเรารับฟังไม่ได้อาจจะเป็นยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่หรือมิฉนั้นอีกอย่างนึงก็คือเบนเสริมขึ้นลอยๆแล้วขาดประโยค ทางไว้อย่างนั้นเฉยๆกัดจมีฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มคลอเบรพยายามเรียกไว้นะเรียกทุกๆสามนาทีย้ายขัดระยะเรียกไปเรื่อยๆแตนลีสั่งอย่างร้อนใจแล้วส่งวิทยุคืนไปให้คิดตรวจสอบของตนเองที่ยังร้อยปลอกหนังติดเข็มขัดอยู่ดึงขึ้นมาทดลองก็ปรากฏว่ามันยังใช้การได้ดีเป็นปกติ ไม่ได้ชำรุดใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าตัวเองจะกลิ้งตกจากหน้าผาลงมาส่วนไรเฟิลก็ยังใช้การได้ดีเพียงแต่กระโจมมืออันเป็นไม้และครอบสูนหน้าบินไปบ้างเท่านั้นเพราะกระทบหินเป็นปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยการเรียกคริสกัชเชิร์ดวุตอยู่เป็นระยะๆะะอเมริกันอาวุโสหันมาทางพรานใหญ่ระพินขอความมั่นใจอีกครั้งเถอะ มีช่องใต้หน้าผาที่ว่าเป็นรูถ้ำสามารถจะมีทางมุดออกได้แน่เลยแล้วคนของคุณทั้งสองคนน่ะแม่นยำต่อช่องทางในโพรงถ้ำสักขนาดไหนพรานใหญ่ยิ้มออกมานิดนึงไม่มีใครอ่านความหมายในอาการยิ้มเกรียมๆบนใบหน้าที่แลแข็งกระด้างประดุดหินรอบตัวในขนาดนี้ได้ดเตอร์ครับโดยทฤษฎีแล้วก็มีทางทะลุเป็นรังปลวก อยู่ใต้ขุนเขาลูกนี้แน่ครับและคนของผมก็ควรจะต้องแม่นยำต่อทิศทางแน่เหมือนกันอ่ะและ้วโดยทางปฏิบัติละ่ะคิดสวนพรวดขนาดที่จ้องหน้าเขามักกุเทศผู้ยิ่งยงยักษ์ไหลโดยทางปฏิบัติไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นมันก็อาจจะผิดทฤษฎีไปได้เหมือนกันเป็นต้นว่าหนึ่งวิ่งเข้าหาช่องทางที่ถูกต้องไม่ทันหรือสอง ความจนตัวทําให้ต้องรีบหลบเข้าไปในโพรงที่เห็นว่าใกล้ที่สุดก่อนแล้วบางเอินเป็นรูโพรงที่ตันไม่มีทางออกไอ้ส่วนจะย้อนกลับออกทางเก่าก็ออกไม่ได้เพราะหินเป็นร้อยร้ ย, ยตันกลบไปหมดสิ้นแล้วเขาพูดให้ประโยคทางไว้เช่นนั้นแบบเดียวกับเบลนี่นเราจะมีทางรู้ได้ยงไงระพินหัวหน้าคณะแม้จะเป็นคนสุ ข, ขุมและใจเย็นที่สุดบัดนี้เริ่มกระสับกระส่ายเห็นได้ชัดคุณสั่งเบลไว้ถูกต้องแล้วนี่ครับดร คือพยายามเรียกไว้ทุกทุกสามนาทีเราอาจได้ยินเสียงตอบรับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีเสียงตอบรับเราก็ไม่สามารถรื้อหินที่ถล่มลงไปโถมเส้นทางนั้นออกแล้วค้นพบพวกเขาได้นอกจากจะายหน้าไปตามเส้นทางเดิมของเขาคือยอดศักดํ์ดำแล้วรออยู่ที่นั่นครับหากทั้งสี่คนหรือคนใดคนหนึ่งระหว่างจันกระบุญคายังมีชีวิตอยู่ เขาจะต้องไปสมทบกับเรายังตำแหน่งที่พักเองภายในเที่ยงคืนของคืนนี้เป็นอย่างเร็วหรือมิฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นอย่างช้าครับก็ถ้าพรุ่งนี้เช้าแล้วพวกนั้นยังไม่โผล่ไหมเราเราเห็นนีะ่ะระพินสแตนลีเงียบแต่เบนกะคิดถามพร้อมกันดะพินไพรวันเอาหลังนิ้วชี้ขยี้ปลายจมูกเบาๆก็แปลว่า คุณเสียคนของคุณสองคนส่วนผมก็เสียคนของผมสองคนเหมือนกันคีวดีกันง่ายๆแค่นี้ครับคำพูดของพรานใหญ่ทามาบุคคลผู้เป็นนายจ้างของเขาทั้งสามคนคอแข็งนิ่งขึงกันไปหมดระพิงตาวเบาๆต่อมาว่าทุกคนของพวกคุณทราบล่วงหน้าแล้วนะครับ ว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะมันเสี่ยงเพียงไหนและทุกคนก็ยืนยันกับผมแล้วว่าจะไม่มีการโทษสัดว่าเป็นความบกพร่องของผมหรือใครทั้งสิน้นหากใคร พ, าพลาดพลั้งลงในคราวนี้อย่าว่าแต่คริสเชิดบุตบุญคำหรือว่าจันที่เดินล่ออยู่เบื้องล่างนั่นเลยถึงเราสี่คนคือผมท่านหัวหน้าคณะคื น, นคีตแล้วก็อิซาเบล ที่เผชิญกับเหตุการณ์หินถล่มเมื่อยกยกนี่ก็เช่นกันพวกเรารอดตายกันมาได้ก็นับว่าบุญอย่างที่สุดแล้วทีแรกนะผมยังนึกว่ามีผมเหลือรอดอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่แล้วก็ค่อยๆเก็บหาตัวกันได้ทีละคนจนครบแล้วการแบ่งฝ่ายกันในคราวนี้ก็เป็นการยุติธรรมที่สุดแล้วเพราะเราใช้วิธีเสี่ยงทายจับไม่สั้นไม่ยาวกันไม่มีใครเป็นผู้ ก, กําหนดตัวว่าคนนั้นจะต้องไปทางด้านนี้ หรือคนนี้จะต้องไปทางด้านนั้นนอกจากผมยันและบุญคำเท่านั้นซึ่งมีหน้าที่ตายตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วว่าจะต้องแยกกันปฏิบัติเช่นไรบ้างสแตลลีหัวเราะออกมาเบาๆพยักหน้าไม่ต้องกังวลยังแมนพวกเราไม่มีใครโทษคุณหรอกเอาล่ะเราพักเรื่องสี่คนข้างล่างซึ่งขณะนี้ยังไม่มีทางรู้ได้ ว่าเป็นตายร้ายดียังไงลงไปซะก่อนมาว่าถึงเหตุการณ์ด้านบนที่เราเผชิญร่วมกันนี้เถอะก่อนที่หินใหญ่อันเป็นต้นเหตุให้ภูเขาถล่มก้อนนั้นจะขาดร่วงลงมาผมเห็นคุณยิงไอ้งาดําหัวทิ่มลงมาชนหินก้อนนั้นไม่ใช่เหรอหรือว่าตาผมฟาดไปตาแ่ไม่ฟาด็อกบ๊อบรพินซัดไอ้ช้างผีเสียงเั่นหมอบไปแล้ว หัวปักดิ่งแล้วมาคาอยู่กระฐานของหินมรณะก้อนนั้นพอดีซากมันอยู่ที่นั่นไงทีดบอกแทนพร้อมกระช้ายไฟขึ้นไปด้านบนซึ่งบัด น, นี้เห็นทั้งลำไฟฉายของเกิดและเสยกระแสงใต้ของกระเหลียงโบเมียอูทะกับพระโตกำลังไต่สูงขึ้นไปยังตำแหน่งนั้นพวกนั้นคงต้องการจะขึ้นไปตรวจสอบดูซากช้างประหลาดตัวนั้นโดยที่ระพินก็ไม่ได้สั่ง เพราะมันก็ไม่สูงขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะักเศษมากสไตล์ลีคำรามออกมามันทำเราแทบเละกันทั้งหมดแต่ในที่สุดเราก็คว่า ม, มันลงได้เสียดายเหลือเกินที่มืดสนิทซะแล้วทำให้มองอะไรไม่ถนัดนั่นพวกนั้นคงปีนขึ้นไปดูมันชัดๆแล้วมาั้งระพินแหงนมองตาม นอกจากไอ้งาดำที่แอบซุ่มที่จะงัดหินใส่พวกเราแล้วคุณเห็นวิวแววของไอ้มอนสเตอร์ที่คุณเรียกว่าผีดิบมันตรายตัวร้ายนั่นมั่งไหมไม่เห็นครับเห็นครั้งเดียวตอนที่ผมบอกในตอนแรกคณะสั่งให้พวกเราหยุดขบวนลงนั่นแหละมันจะต้องหลบอยู่มุมใดมุมนึงในส่วนที่สูงขึ้นไปอีกแล้วคอยบังคับไอ้งาดำงัดหินใส่เราพอผูเขาถลม่มแล้วไอ้งาดาถูกปืนคว่ำคาที่ มันก็ไม่ได้ปลูไม่เห็นอีกเลยรพินตอบนายจ้างเขายังไม่ทันสิ้นกระแสความเครื่องรับส่งวิทยุทั้งสามเครื่องก็ปรากฏเสียงเกิดโวยวายขึ้นว่านายนายเออได้ยินว่ายังไงเขายกวิทยุขึ้นพูดตอบนายแนย่ใจเอะอไวตัวที่นายยิงหัวทิ่มลมาคาก้อนหินอยู่นี่คือไอ้งาดำ ทำไมเหรอทำไมรพินตะโกนถามขึ้นไปทันทีขมวดคิว้วสเตลีเบ์แล้วก็คิดพรอยประหลาดใจทำหน้าเลือกหลักกันไปหมดแงนขึ้นมองจ้องฝาความมืดขึ้นไปยังกลุ่มของพรานพื้นเมืองและพวกกระเรียงที่รุมกันอยู่บนชะ ง, ง่อนโขดหนินนะฮะสังเกตได้ง่ายจากแสงไฟวูบวาบปูวับวอยู่อ๋อมันใหญ่มากนาย ใหญ่จนน่าเชื่อวเป็นไอ้งาดำนั่นแหละแต่ตอนนี้งามีสีดำอยู่นิดเดียวเท่านั้นะตรงส่วนปลายทั้งสองข้างยาวไม่ถึงศอกนอกนั้นที่โผล่มาจากหัวของมันน่ะเป็นสีเหลืองๆขาวๆเหมือนงาช้างธรรมดานี่แหละซองไฟเห็นอยู่นี่เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ ง, งาของมันทั้งสองข้างที่ฉันเห็นน่้มันดำเมี่ยมตลอดจากส่วนปลายก็ไปจนถึงกระโหลกหัวของมันนั่นแหละ พรานใหญ่เอกอักลั่นเบนกับสตาลีเข้าใจในคำพูดโตตอบระหว่างกระพินกับคนของเขาที่ดังก้องอยู่นั้นเป็นอย่างดีแต่คิดไม่สู้จะเข้าใจนะักร้องถามว่าเจ้าเด็กหนุ่มของกระพินว่าไงพอเบนกับสตาลีอธิบายให้ฟังนายพันเอกแห่ง U.S.Army ก็ร้องลั่นออกมาไอ้เจ้าเซยหรือเจ้าเกิดน้ำบาแล้วก็พวกเราทุก คนที่มองเห็นงาของมันทั้งสองข้างดำสนิทอย่างกันนินตลอดทั้งสองข้างแล้วก็ตลอดทั้งแท่งเลยเฮ้ย hey, ทำไมมันถึงบอกว่าเห็นดำอยู่เฉพาะตรงส่วนปลายเท่านั้นใช่ไหมเบลบ๊อบเราเห็นกันอยู่นี่ว่ามันคือไอ้งาดาตัวนั้นนั่นแหละกะโตัที่เราเคยเห็นมาครั้งหนึ่งก่อนแล้วขณะที่มันวิ่งสวนทางเราลงมาเมื่อสองสามวันก่อนโดยที่พวกเรายิงมันไม่ทัน ตอนนั้นเป็นเวลาที่รรบพินเดินล่วงหน้าขึ้นไปบนยอดโดยเพื่อสำรวจแหล่งน้ำที่มันหักเอากิ่งไม้มีพิษมาแช่ไว้นีอน่อาในแอ่งไงเออใช่ทั้งสแตนลีและเบลรับคำหนักๆออกมาพร้อมกันมันก็ไอ้งาดำประหลาตตัวนั้นนั่นแหละเมื่อตอนที่มันงัดหินลงมาใส่เราก่อนตะวันตกดินหยกๆนี่เราก็เห็นกันชัดๆถึงสี่สายตาพร้อมกันหมดไม่ใช่เหรอ ไงระพินพ่านใหญ่แยกเขี้ยวเอานิ้วเกาแก้มอยู่กรากๆก พ, พึมพำว่าเอ่ก็นั่นสิครับผมว่ามันท่าจะยังไงซะแล้วหุยนายชิบหายแล้วอะไรกันนี่ปลายงาสีดำที่บอกตะ ก, กี้นี่ว่ามีสีดำอยู่ยาวแค่ศ อ, ก, อกนี่นี่ตอนนี้มันเลือนหายไปซะแล้วสีดำมันจางออกเหลือส่วนปลายอยู่แค่สองคืบเท่านั้น สีงาของมันจางออกได้จะกลับมาเป็นงาช้างธรรมดาทั้งแท่งแล้วนายเออฉันจะขึ้นไปเดียเ๋ยวนี้รับพินและล่ําละลักบอกขึ้นไปแล้วหันมาทางนายจ้างของเขาทั้งสามที่ยืนตะลึงงนันเบิกตาค้างอยู่เกิดเรื่องพิสดารขึ้นอีกแล้วละครับผมจะขึ้นไปดูเดี๋ยวนี้แหละสามคนกรุณารอผมอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวรับพินเราทั้งสามคนจะตามคุณกันไปด้วยไม่ต้องห่วง ทั้งผมและคิดยังพอปีนเขาไหวมันไม่สูงขึ้นไปนักนี่แค่นี้เองสตาลีรีบบอกมาเร็วปรือแล้วหันไปสั่งอะไรก็คิดนายนั่นล่วงลวงไปในย่ามหลังดึงเอาพลุชนิดส่องแสงแบบพกไดตัวยิงด้วยมือขึ้นมาเสียบกระสุนพลุนัดนึงหมุนเกลียวกลํากล้องเป็นแท่งเหล็กเท่าปากกาขนาดเขื่องแล้วขึ้นนกยิงปังขึ้นไปบนอากาศ เหนือบริเวณยอดหน้าผาพริปตาเดียวกระสุนพลุ ก, ก็ระเบิดสูงกลางอากาศกันดำมืดส่องความสว่างขนาดไม่ต่ำกว่าหนึ่งมืนแรงเทียนแผกจ้าทำให้ภูมิประเทศแถบนั้นทั้งหมดสว่างใสาราวกับกลางวันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถนดัดแม้ความสว่างของมันจะคงอยู่ได้ไม่เกินกว่าสองนาทีก็ตา ก็ยังพอที่จะช่วยสองทางให้ปีนป่ายกันขึ้นไปได้โดยสะดวกรวมทั้งส่องให้เห็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยและก่อนที่แสงพลุนัดนั้นจะดับสิ้นลงทั้งสามคนก็ไต่ตามหน้าผาตามระพินผู้ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนทันทีด้วยความรู้สึกอันไม่อาจ บ, บอกได้ถูกจโดยแท้จริงแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสไตลีอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสะบักสะบอมทีเดียวแต่สิ่งอันแปลกประหลาดวิกลวิกาลตามคำรายงานของเกิดกระเซยที่แจ้งลงมาทำให้ลืมเรื่องความเจ็บปวดขัดยอกไปเสียหมดสิน้นทั้งสองอาศัยแสงสว่างจากพลุที่มองเห็นเส้นทางขึ้นถนัดอยู่ก่อนแล้วประกอบกับการนำของระพินไตทางขึ้นไปยังตาแหน่งเป้าหมายโดยลืมเรื่องอื่นใดในขณะ น, นี้ลงซะชั่วขณะ สำหรับเบนนั้นก็รวดเร็วฉับไวขึ้นอย่างมหัศจรรย์เหมือนกันรอนดูเหมือนจะไตล่ลำหน้าพรานใหญ่ขึ้นไปซะอีกแสงพลุดับมืดลงแล้วแต่แสงสว่างจากไฟฉายที่พวกข้างบนคอยส่องให้ก็ยังจ้าอยู่จึงชั่วไม่นานนักทั้งสี่คนก็ไต่ทางขึ้นไปสมทบกับเกิดเสยและกระเรียงชะกันกลุ่มใหญ่ห้าหกคนที่มุงล้อมซากช้างมหมา ซึ่งขณะนี้อยู่ในลักษณะหัวทิ่มลงมาเสียบคาอยู่กับโคนหินที่หักสะบั้นไปแล้วโดยเลือดอุ่นๆของมันยังคงไหลนองเป็นทางลงมาไม่ขาดระยะจากบากแผลกระสุนไรเฟิลของระพินพวกนั้นส่องไฟไปที่ส่วนศีรษะของมันและส่งเสียงพูดกันจอกแจก๊จกจอแจฟังไม่ได้สับไปหมดจริงตามที่เกิดและเสยวิทยุลงไปบอกทุกอย่าง ขนาดของมันจะใหญ่โตมโหฬารสักแค่ไหนทั้งสี่คนที่เพิ่งจะตะ ก, กายขึ้นไปถึงและกระเรียงพวกนั้นก็หลีกเป็นช่องให้พร้อมทั้งชี้มือต่างจ้องกเขม็งไปเฉพาะส่วนงาของมันเป็นตำแหน่งแรกแล้วทั้งคิดเบ์กับสแตลีก็แทบพังงะตกเขาไปอีกครั้งหนึ่งรพินไพร์วันเบิกตาโพงจ้องไม่กระพริบต่อมาก็ยกมือขยี้ตาแรง แล้วลืมขึ้นดูอีกครั้งลำแสงไฟฉายที่มีพลังสว่างมากหลายดวงจับและกระดไปมาอยู่เฉพาะที่นั่นตาเขาไม่ฝาดไม่มีอะไรบิดเบือนไปจากทัศนภาพที่มองเห็นกันอยู่ทุกคนในขณะนี้เลยงางามโค้งงอนของไอ้ยักษ์ใหญ่คู่นั้นมันเป็นงาสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งแท่งและทั้งสองข้าง ไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยนิดว่ามันจะเป็นสีดําหรือแม้แต่คล้ำผิดไปจากงาช้างปกติทั่วไปจนนิดเดียวความเงียบบกคลุมบริเวณชานหินตำแหน่งนั้นอีกครั้งเสียงพวกกระเรียงที่พูดกันอยู่แทรกเมื่อครู่ก็พลอยสงบเมื่อคณะเจ้านายทั้งหมดเข้ามายืนจ้องพิจารณาอยู่ในขณะนี้ ระพินเคลื่อนช้าๆอย่างมึนงงเข้าไปซุดนั่งอยู่ในระหว่างงาทั้งคู่ของมันเอามือเอื้อมไปแตะลูกเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่ามันเป็นสัต์สารไม่ได้เกิดจากภาพมายาแล้วมันก็เป็นสัต์สารจริงๆเพราะสัมผัสแตะต้องได้สเตลีคิดอิสซาเบลก็ตรงเข้ามามุงจนชิดอะไรกันนี่ มันเป็นไปได้ยังไงสแตนลีย์อุทานออกมาเสียงสูงจากความตะลึงงานคิดยอดนักโบยที่สุดบัตรนี้กลับไม่มีเสียงเลยตาเหลือกกรอกอยู่ไปมาส่วนเบลยกมือข้างหนึ่งอุดปากตัวเองไว้เหมือนจะไม่ให้มีเสียงใดๆหลุดออกมาสุภาพบุรุษไยแตะตรวจและส่องไฟดูตั้งแต่ส่วนปลายของมันไล่ขึ้นไปเป็นลาดับ จนถึงโคนงวงทั้งสองและเพื่อให้แน่ใจที่สุดเขาชักมีดโบวี้ติดเอวออกมาแงะงัดส่องไฟดูในส่วนที่ฝังลึกเข้าไปในเนื้อโคนงาพร้อมทั้งชะงงกลงไปดูมันก็คืองาช้างสีปกติธรรมดานั่นเองแต่เป็นคู่ที่ใหญ่งามได้ส่วนสัตว์เยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา เอานิ้วเกาปลายคางเบาๆเงยหน้าขึ้นดูคณะนายจ้างทั้งสามที่สุดคุกเข่ารายล้อมอยู่ใกลๆๆ้ๆทั้งสามท่านครับท่านมองเห็นช้างตัวนี้ก่อนผมเพราะอยู่ในตำแหน่งที่ยื้อจากก้อนหินบงังยืนยันได้ไหมครับว่าขณะที่มันกำลังงัดหินก้อนบนโงนเงินอยู่และทั้งสามท่านช่วยกันระดมยิงก่อนผมนะ่ะ มันเป็นช่างงาดังเขาเอ่ยถามขึ้นเบาๆเพยับเสียงให้เป็นปกติธรรมดาที่สุดผมรู้สึกว่าผมจะเป็นคนลั่นกระสุนคนแรกนรพินเพราะเห็นมันกำลังใช้ส่วนหัวดันก้อนหินก้อนนั้นอเมริกันอาวุโสของคณะนะพูดเสียงแหบพร่าแทบจะจับศักท์ไม่ได้สีหนองเขายามนี้ปั้นยากที่สุด แต่ผมยืนยันได้ว่างาทั้งสองข้างของมั น, นสีดำสนิททีเดียวผมก็เห็นชัดๆว่ามันเป็นงาสีดำนะตอนนั้นแสงตะวันยังไม่มืดมองเห็นอะไรได้ถนัดพอสมควรทีเดียวันึกคิดยันไม่อีกคนนึ่งอยู่ในอาการพิพักพิพ่วนที่สุดเบละ่ะคุณแน่ใจไหมเขาแลไปทางแม่ผมแดงซึ่งยังอุดปากเบิกตาโพลงอยู่ การของหล่อนอยู่ในภาวะขวัญกระเจิงจนแทบจะควบคุมไว้ไม่อยู่ไม่ตอบถ้อยคำใดได้แต่อุดปากตัวเองแน่นอยู่เช่นนั้นกระพินไม่คาดคันแต่บอกเรียบราบแผวเบาว่าตอนนั้นนะผมอยู่ในมุมอับครับสำหรับในครั้งแรกที่เห็นหินก้อนนั้นโยคลอนแต่พอมันงัดหลุดลงมาผมก็เห็นมันถนัดชั่วแวบเดียว แต่ก็ขอยืนยันอีกคนครับว่าผมก็เห็นว่ามันมีงาสีดําเหมือนนินเช่นที่ทุกคนเห็นเหมือนกันจากนั้นผมก็ยิงแล้วมันก็ถล่มลงมาพร้อมๆกับก้อนหินที่มันงัดตกลงมากระแทกขินกิ่วมหาการก้อนนั้นจึงแปลได้ว่าเราเห็นและยืนยันกันทั้งสี่คนสายตาสี่คู่ขณะนั้นมันคือไอ้งาดําตัวนั้นแน่แน แต่คุณพระ ช, ช่วยก็เดี๋ยวนี้ล่ะมันคือไอตัวไหนกันแน่สเตนลีสำลักระพิงชี้ให้ดูรอยกระสุนที่ทะลุผ่านออกกลางสีสษะมันก็ตัวเดิมกันพวกเราสี่คนเห็นนั่นแหละครับจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้หรอกเพราะรอยกระสุนที่ผมยิงมันยังปรากฏชัดอยู่ไม่เพียงแต่เฉพาะรอยกระสุนของผมเท่านั้นนะครับก็มีรอยกระสุนของพวกคุณอีกสามคน ปรกกากดอยู่ตามลำตัวของมันด้วยแต่ไม่ถูกที่สำคัญเจีบขาดนักข้าวท้องมัง่งตะโพกหลังมัง่งก็าตานนั้นงามันสีดำนี่ว่าแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมงามของมันถึงเสียงของคิดที่เบาที่สุดขาดหายไปแค่นั้นกระดือกเต้นพล่านขึ้นขึ้นลงลงระพินเรียกเกิดกระเซยให้เข้ามาใกล้ ทั้งสองยังอยู่ในอาการตื่นเต้นหน้าเลิกหลักไปหมดคือก็สเซยไครขึ้นมาถึงซากช้างนี่ก่อนกันก็พร้อมๆกันแหละนายรวมทั้งโบเมียอูทะพะโตแล้วก็กระเหี่ยงพวกนี้ด้วย เ, เห็นยังไงก่อนในครั้งแรกบอ ก, กละเอียดสิก็เห็นมันนอนหัวทิมอยู่อย่างนี้นายครั้งแรกก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกเพราะมองเห็นปลายงาของมันเป็นสีดำ แต่พอเข้าใกล้เอ๊ะโคนบ้องคนสีขาวอ่ะพอช่วยกันดูต่อไปอีกก็เห็นชัดๆกระตาว่าสีขาวมันค่อยๆไล่สีดำจากส่วนโคนออกไปเรื่อยๆก็เลยบอกไปที่นายแล้วพอนายและพวกนายห่างไตขึ้นมาถึงมันก็เปลี่ยนสีไปหมดทั้งสองข้างตายเป็นงาขาวไปคาตาอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละเกิดกระเสยชิงกันบอกเสียงสั่น มักคุเทศผู้ยิ่งยงนิ่งไปอีกกึ่งอึดใจก็ยืนขึ้นช้าๆฉายไฟส่องตรวจขึ้นไปบนแง่หินที่สูงขึ้นไปโดยกราดช้าๆไล่ไปทุกซอกระหว่างนั้นสแตลีคีดและเบลก็เข้าไปตรวจหารอยกระสุนของพวกตนที่ยิงไว้ก่อนหน้าซึ่งก็พบว่ามีรอยอยู่จริงๆอีก 3-4 สี่รูตามลำตัวเป็นรอยของจุดหบ้าง รอยของเอมสบหบ้างแต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่จะหยุดมันลงได้อย่างเฉียบพลันยกเว้นกระสุนของระพินที่เสยจากใต้ค า, างผ่านเข้าสมองอันเป็นผลให้มันดับสนิทและทิ้งซากไว้เป็นพยานหลักฐานนี่ระพินทำไมคุณถึงไม่พูดเรืให้ความเห็นอะไรกับเขาบ้างเลยอิสเบลนเพิ่งจะเอ่ยขึ้นมาได้เป็นประโยคแรกหลอนพูดเหมือนคนร้องไห้เบอ ผมเองก็งงเหมือนพวกคุณทุกคนเหมือนกันไม่สามารถจใจความเห็นอะไรได้อย่างชนิดมั่นใจยกเว้นแต่ว่าจะตั้งเป็นสมมติฐานเท่านั้นแหละคือเดาเอาอ่ะแล้วคุณจะเดา ว, ว่าไงระพินสแตนลีก็คิดถามโล่เหมือนกันนัดกันไว้ผมเดา ว, ว่าไม่มีไอ้งาดำในป่านี่หรอกครับเพราะงาช้างมันก็จะต้องเป็นสีงาเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละ แต่ทเราทั้งสี่คนหรือใครอื่นก็ตามที่เคยเห็นมันเป็นไอ้งาดํามาแล้วขนาดนั้นที่เห็นมันเกิดขึ้นโดยอํานาจสยเวทลี้ลับที่เข้าบงการมนต์มืดกริยาคมชนิดนั้นขณะที่ยังครอบงําอยู่ก็บันดาลให้สีของงากลายเป็นสีดําสนิทไปแต่ขณะ น, นี้มันถูกปืนดับชีวิตลงแล้วกริยามน์ที่ครอบงําสิงสู่มันอยู่ ก็เสื่อมฤทธิ์ลงทำให้สีงาของมันกลับคืนมาสู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นไอ้งาดำไม่ได้มีเพียงตัวเดียวซะแล้วลครับมันจะโผล่มาเราเห็นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิน้นกราบใดก็ตามที่อำนาจมืดที่ปองร้ายเราอยู่ในขณะ น, นี้ยังไม่หมดสิ้นไปถ้ามันกำหนดลงช้างตัวไหนเพื่อให้เป็นตัวดำเนินงานของมันงาของช้างตัวนั้นจะลายเป็นสีดาทันที ก็นับว่เราได้หลักฐานอย่างชนิดคาหนังคาเขาทีเดียวที่ล้มตัวที่มีงาดําลงได้เห็นโดยชัดๆแบบนี้แล้วมาเห็นว่า ง, งามันเปลี่ยนสีภายหลังตายแล้วถ้ามิฉะนั้นเราไม่มีโอกาสารู้ได้เลยในกรณีที่ไม่สามารถติดตามเจ้าตัวที่มีงาสีดําได้พบเนื่องจากมันจะทําให้เป็นสีดําเมื่อไหร่ก็ได้จะให้กลับมาเป็นช้างงาสีธรรมดาเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี้มันต่ําตาเลย นี่คือการสันนิษฐานหรือเดาของผมครับระหว่างที่สเตลีและคิดอย่างอ้าปากค้างเบลครางออกมาว่าฉันคิดว่าฉันคงบ้าตายไปสักก่อนถ้าขืนเดินทางในเส้นทางนี้ต่อไปอย่างน้อยก็พิสูจน์ได้แล้วละ่ะว่าต่อให้มันมีอภินิหารฤทธิเดชกับเราเพียงไหนลูกปืนของเราก็ยังสักสิกชะงักอยู่เสมอ เราต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันในทุกรูปแบบด้วยสติและก็พลังใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่ต้องไปหวาหวาดเกรงกลัวมันผมยอมรับครับว่าพฤติการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเล่นเรามาล้วนเป็นการทำลายขวัญกันอย่างน่าสยดสยองที่สุดแต่เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเป็นเปลาะเปลาะจไว้ครับไม่กลัวสอย่างเดียวเท่านั้นเราจะชนะมันได้ ไอ้เจ้าสิ่งประหลาดที่คุณเรียกมันว่ามันไรนะใช่ไหมที่มันกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างะ่ะระพินหัวหน้าคณะถามภายหลังจากพยายามระงับประสาทอันเตลิดเปิดเปิงให้กลับคืนมาระพินขยี้ปลายจมกูกครับทุกสิ่งทุกอย่างจากมันเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นถ้าเรากำจัดมันลงได้เจ้าสิ่งลี้ลับหน้าสะพึงกลัวเหล่านี้ก็จะหายไปหมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้ผีดิบหรือช้างผีสิงทั้งหลายผมเชื่อว่าผมจะแก้ตกและรับมือมันไว้ได้อยู่แต่คารุณาอย่าเพิ่งถามว่าผมจะทำยังไงระพินคุณว่าขณะนี้ไอ้ผีดิบมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคิดถามอย่างไร้เดียงสาที่สุดมันก็หลบไปแล้วที่คุณภายหลังจากทำงานของมันสำเร็จลงแล้วขั้นหนึ่งเหมือนกันน่ะ นั่นก็คือทำให้ภูเขาถล่มลงใส่เราได้แม้ว่ามันจะเสียภาหะหรือลูกมือสำคัญของมันไปตัวหนึ่งโดยทิ้งเป็นหลักฐานในเราเห็นชัดๆเกี่ยวกับอำนาจทางสยเว่มนมืดของมันที่สิงช้างผมว่าเราเลิกสนใจช้างงาดำได้แล้วละเพราะเราพอจะจับเคล็ดได้แล้วว่าเหตุใดมันถึงได้มีงาสีดำตอนนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องทาก็คือช่วยกันหันมาพิจารณาปัญหาสาคัญดีกว่า ปัญหาที่ว่าคริสเชิดวุฒิบุญคำแล้วก็จันตอนนี้อยู่ที่ไหนพวกเขาทั้งสี่คนยังรอดปลอดภัยดีหรือเปล่าเพราะทางด้านเรานะ่ะปลอดภัยกันหมดทุกคนละกล่าวจบเขาก็ชวนให้คณะนายจ้างไตหน้าผาเพื่อกลับลงไปสมทบกับพวกลูกหาบและกระเรียงอพยพข้างล่างทันทีพร้อมทั้งโบกมือให้ลูกน้องที่ตามขึ้นไปด้วยเหล่านั้นเคลื่อนย้ายลงด้วย โดยปล่อยซากช้างให้อยู่ตรงตำแหน่งนั้นขาลงสแตลีอ่อนปรี้ยลงไปมากระพินสั่งให้เกิดและเสยคอยประกบใกล้ชิดประครับประคองอยู่ตลอดเวลาระวังไม่ให้ถลายลื่นพลัดตกลงในขณะที่หัวหน้าคณะค่อยๆตายลงอย่างหมดเรี่ยวแรงไรเฟิ่นและเครื่องหลังที่ติดอยู่อันเป็นภาระถ่วงหนักถูกเขาสั่งให้ถอดหมดเพื่อให้เบา และคล่องตัวโดยให้พรานหนุ่มของเขาทั้งสองช่วยแบกลงไปให้คิดกำลังวังชา ย, ยังพอมีส่วนเบลไม่มีอะไรต้องห่วงเนื่องจากหล่อนไม่เป็นอะไรมากนะักพักใหญ่ๆทั้งหมดที่ขึ้นไปบนหน้าผาก็ลงมาถึงพื้นเบื้องล่างที่กองพนเนินสูงๆต่ำๆไปด้วยก้อนหินที่ถลม่มทลายลงมาโดยมีพวกกระเรียงอพยพชุมนุมรอคอยอยู่ก่อนลว อิสเบนใช้วิทยุเรียกบุคคลทั้ง4ี่ที่สูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยนับตั้งแต่ภูเขาถลม่มโดยเรียกเป็นระยะๆะะไปแต่ไม่มีเสียงตอบอยู่เช่นเดิมไม่ว่าหล่อนจะใช้ความพยายามถือวิทยุกรอกเสียงเรียกแล้วเดินไปตามกองหินที่สุนทับเส้นทางเดิมอยู่เกือบจะตลอดทั้งแนวทางบีบข น, บนั่งพักนั่งซึมกันไป แต่เปิดวิทยุฟังอยู่ตลอดเวลาคงได้ยินเฉพาะเสียงของเบรเรียกอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้นรพินก็เดินตรวจส่องไฟตามแนวหินที่หล่นสุมลงมาเหล่านั้นเพื่อจะหาลู่ทางเพื่อจะพบตำแหน่งไหนว่างหรือมีหินกลบชนิดเบาบางอยู่บ้างอาการของเขาเหมือนจะหาทางมุดลงถ้าเป็นไปได้แต่ก็ปราศจากผลมันปันทึกไปหมด ไม่มีเสียงตอบเลยเอาอยัางไงดีละพินในที่สุดหัวหน้าคณะก็ถามขึ้นอย่างปริวิตกเห็นชัดเจนคุณพอจะกัดฟันเดินต่อไปได้ไหวไหมครับไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นผมต้องการเคลื่อนย้ายพวกเราทั้งหมดไปให้ถึงที่หมายตามนัดแนะก่อนเราจะพักที่นั่นและรอคอยฟังข่าวจากพวกเขาที่นั่นเพราะอยู่ตรงนี้ไม่เหมาะด้วยประ ก, การทั้งปวงครับ สตลลียกนาฬิกาขึ้นดูแลบอกด้วยเสียงหนักแน่นอันแสดงถึงกำลังใจอันมั่นคงเด็ดเดี่ยววะ่ะไหวที่ทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้ขออยู่ในความเห็นชอบของคุณก็แล้วกันถ้างั้นก็เคลื่อนต่อเอะครับเดินตางคืนนี่แหละหนทางต่อไปนี้สะดวกสบายแล้วและผมแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วสำหรับระยะทางช่องเขานี่ไปจนถึงเนินอันเป็นที่หมายของเราตกลง หัวหน้าคณะยืนขึ้นทันทีรพินตะโกนสั่งความกับคนของเขาและพวกกระเรียงทั้งหลายโบกเวกันอยู่อีกครู่หนึ่งกองคารวานก็เริ่มตั้งแถวใหม่แล้วก็เดินไต่ไปตามถนนสายใหม่ระหว่างช่องเขานั้นอย่างไม่ยอมชักช้าเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นเกิดนำขบวนลูกหาบไปเบื้องหน้าเสยและโบเมียคุมกะเรียงอพยพอยู่ด้านหลัง ระพินกับนายจ้างทั้งสากับนายจ้างทั้งสาของเขาเดินกลางขบวนพร้อมทั้งเดินเป็นเพื่อนไปด้วยต่างค่อยๆผ่านช่องทางมรตยูนั้นไปจนกระทั่งพ้นบริเวณที่หินถลม่มเข้าสู่เส้นทางด่านฝั่งตรงข้ามที่ราบโลง่งกว้างใหญ่สองข้างทางเป็นป่าหินที่ไม่สูงใหญ่เกินไปนักไประดับขึ้นที่สูงเป็นมุมราวยี่สิบองศา เข้าสู่เชิงเขาอีกลูกที่ขวางอยู่เบื้องหน้าลักษณะนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าร้อนแรมบุกบั่นกันไปอย่างทอรหดด้วยความจำเป็นบีบบังคับและเป็นการเดินในเวลาตะวันตกดินไปแล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางกันมาทุกคนเงียบและซึ่งและยินก็แต่เสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ากันไป เบนไม่เรียกวิทยุอีกแล้วเพียงแต่เปิดคอยรับฟังเท่านั้นอย่าว่าตล่อนเลยแม้แต่รัพินเองก็จิตใจไม่อยู่กันเนื้อกันตัวเมื่อคิดถึงคณะพักอีกสี่คนที่เงียบหายไปอย่างปราศจากว่แววทั้งหมดเคลื่อนขบวนกันไปท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นและความวิเวกบนสันเขาแสงใต้ที่จุดพราวสว่างสวัยแต่แรก นักตั้งแต่มาชุมนุมรอฟังข่าวกันอยู่ตรงตำแหน่งหินถล่มใต้หน้าผาบัตรนี้ส่วนใหญ่ถูกดับอย่างสงวนเชื้อเพลิงคงมีอยู่บ้างปรปับปลายสำหรับการส่องทางเท่านั้นวิทยุติดต่อบัตรนี้อยู่ที่เกิดเครื่องหนึ่งตามเดิมในฐานะที่เดินนำอยู่เบื้องหน้าขาบวนเอสเตนลีได้มอบหมายให้ตนของตนเองให้แก่เซย อ, อีกเครื่องหนึง่ง ในฐานะที่คุมอยู่ท้ายขบวนสุดเพื่อว่าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะได้ติดต่อส่งข่าวถึงกันได้ทันทีในระหว่างสามจุดที่เคลื่อนกันไปคือส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลังตัวหัวหน้าคณะเองซึ่งตามปกติก็อยู่ในเกณฑ์สูงอายุอยู่ก่อนแล้วอยู่ในอาการกระปรกกระปรี้ยเห็นได้ชัดกระพินกำหนด ให้อูฐและพระโต้เข้ามากระหนาบข้างคอยพยุงหิว้วปีกนำเดินขณะที่หนทางไต่ขึ้นไปในระหว่างป่าหินอันมืดสนิทสแตลลีจัดว่าบอบช้ำมากกว่าทุกคนในขณะที่หินเกิดถล่มขึ้นและควรจะได้พักผ่อนโดยเร็วที่สุดคิดนั้นอย่างมากที่สุดก็เพียงแค่บาแดแผลสุดซึ่งภายหลังจากเย็บแผลและเยียวยาแล้วก็กล้าวแกลงโทรหด เกือบเกือบเหมือนเดิมเยี่ยงชาตทหารเจนสึกส่วนเบนนั้นป่อแป้หมดสิ้นทั้งแรงและกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลขี่สุดของหล่อนไปอยู่กับคริสติน่าและเชิดวุธซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนผู้ร่วมคณะอันยังไม่ทราบชะตากรรมแต่สำหรับตัวหล่อนเองนั้นกว่า 80% เซเชื่อว่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราว หรือพบเห็นกันอีกแล้วระพินเดินคุมประกบเยื้งหลังหล่อนเพราะสังเกตเห็นชัดและอ่านความรู้สึกของแมมสาวได้อย่างดีที่สุดครั้งหนึ่งระหว่างที่ไต่ทางชันกันขึ้นไปบนหน่อหินที่งอกอยู่ระเกะ ร, ระกะไปหมดหล่อนหยุดหอบและกอดยอดหินไว้ซบหน้าลงกระท่อนแขนผานใหญ่เข้ามาหิ้วปีกไว้ พร้อมทั้งฉุดดึงด้วยพลังแขนอันมั่นคงพยักหน้าให้เดินต่อโอ้ทนหน่อยเบร์ <Bear. S 1> อีกเดียวเียวก็จะถึงที่หมายแล้วทนหน่อยนะเขาบอกเสียงแผ่วต่ำยิ้มปลอบใจไพวันเสียงของเบร์แตกพระขความมืดได้บางน้ำตาที่คลอเบ้าทั้งสองไว้สมมุตินะไพะวันสมมุติว่าถ้าเราไปถึงที่พักแล้ว แล้วรอคอยอยู่ที่นั่นจนกระทั่งรุ่งเช้าแต่ยังไม่ได้ข่าวคนทั้งสี่เราจะทำยังไงกันดีคําถามประโยคนี้สร้างความอาัดอั้นลําบากใจให้แก่เขาขีดสึดบัดนี้เขาตรหนักแน่แก่ใจแล้วว่าในบรรดาฝ่ายนายจ้างทั้งห้าคนอันหมายถึงมีคนไทยร่วมอยู่ด้วยเพียงคนเดียวคือเชิดบุตรซึ่งร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน แม้ในเวลาปกติจะมีการกระทบกระทั่งหรือ ก, กินในกันบ้างในทางส่วนตัวเช่นไรก็ตามแต่ยามมาถึงคราววิบัติภัยเกิดขึ้นทุกคนมีความรักห่วงใยและกังวลถึงกันเป็นอย่างยิ่งอันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแกนแท้จริงใจของบุคคลที่ร่วมคณะมาเหล่านี้มีความสามัคคีกันอย่างแน่นแฟน้นแต่เดิมทีนั้นมันจะมีหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ แต่การได้มามีชีวิตร่วมเผชิญภัยกันในป่าลึกชนิดที่จะต้องรวมชีวิตทั้งหมดเข้ามาหล่อหลอมเป็นชีวิตเดียวกันสร้างความสัมพันธ์ทางใจกันอย่างเหนียวแน่นที่สุดทุกคนไม่มีใครแสดงความหินแก่ตัวและพร้อมที่จะเสียสละให้แก่กันได้คุณลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต่างมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ท่ามกลางมหันตภัย ของป่าดงพงพีแท้ทีดและสตาลีก็ยอมจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเบลนั่นแหละเพียงแต่ความเป็นชายทำให้ทั้งสองเก็บซ่อนวี่แววของความหวั่นไหววิตกกังวลไวอย่างมิชิด ต, ต่างกับเบลซึ่งอ่อนแอกว่าความคิดคำนึงของระพินถูกปลุกขึ้นด้วยการย้ำถามในประโยคเดิมของเบลระพินระหวังไว้ว่าจะพบคนทั้งสี่ ตามไปยังตำแหน่งนักหมายภายในคืนนี้หรืออย่างช้าพรุ่งนี้แต่ถ้าถ้ายังไม่มีวี่แววล่ะระพินเว้นระยะนิดหนึ่งเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเบงครับผมก็จะอ้อมเขาลูกนี้ไปทางอีกด้านหนึ่งอันควรจะเป็นทางออกของพวกเราแล้วก็จะลองมุดถ้ำเข้าไปติดตามค้นหาดูครับ เราตั้งความหวังไว้ในแง่ดีก่อนดีกว่าเบลเราจะตั้งความหวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นอะไรเมื่อหินถล่มลงมาปากตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมั่นคงออกไปเช่นนั้นแต่ใจจริงพรานใหญ่ก็คิดเช่นเดียวกับเบลนั่นแหละโดยเฉพาะคำพูดประโยคสุดท้ายของคริสติน่าก่อนที่จะพละแยกจากกันซึ่งหลอนโบกมือบอกแฟร์เวล กับเขาเช่นนั้นมันน่าจะหมายถึงรอยลางสัญลักษณ์อาลาชั่วนิรันดร์รัพินและเบลเดินกระซิบพูดกันเองไปตามลำพังในขณะที่คิดและสแตนลีก้มหน้าก้มตาเดินเงียบกริบโดยไม่เอ่ยคำใดอีกทั้งสิน้นแต่แน่ละในใจทั้งสองคงจะต้องครุ่นคิดหนักเหมือนกันรับพิน ถ้าคุณตามเข้าไปหาแล้วไม่พบล่ะอิสเบรพูดเบาที่สุดถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคณะของเราไม่มีคริสเชิดบุตรบุญคำแล้วก็จันต่อไปแล้วครับแผนการต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้างานของคุณคืออาจจะขออนุญาตจากหน่วยเหนือเดินทางกลับเพราะขาดลูกทีมงานสำคัญ หรือวิชนั้นก็อาจจะเดินทางต่อถ้าหากพิจารณาเห็นว่าที่เหลืออยู่เพียงสามคนคือหัวหน้าของคุณคีตแล้วก็ตัวคุณเองพอจะทํางานได้ต่อไปหรือวิฉะนั้นก็อาจจะวิทยุขอผู้ร่วมงานใหม่มาเพิ่มเติมแต่สําหรับผมเนี่ยจะยังไงก็ได้ได้ทั้งนั้นสุดแต่จะสั่งครับกระพิ ในฐานะผู้นำทางคุณยอมรับไหมว่าขณะ น, นี้พวกเราอยู่ในภาวะคับขันที่สุดแล้วสองคนบาทเจ็บแทบจะเรียกว่าสาหัสอีกสี่คนสูญหายไปเนี่ยเบ์ <Bear. S 1> ผมบอกคุณแล้วไนงะว่าจะเพิ่งวาดภาพร้ายเกินไปนักก่อนที่เราจะเข้าถึงความจริงให้แน่ชัดซะก่อนไอการคับขันที่จะเรียกว่าพลาดของเราในครั้งนี้นะ่ะ ถ้าจะมาเทียบกับสมัยที่ผมเคยนำคณะนายจ้างชุดก่อนบุกเทือเขาประสิวะมันร้ายกาจรุนแรงยิ่งกว่านี่หลายเท่าพวกเราในชุดนั้นต้องพัดพลากจากกันตกอยู่ในภาวะตายแล้วเกิดใหม่คนละหลายหนหลายครั้งแต่ในที่สุดเราก็ตามกันจนพบแล้วก็รวมพวกกันอีกจนได้แล้วก็นึกย้อนหลังสักนิดสิเบีก่อนการออกเดินทาง คืนสุดท้ายที่เราพักกันอยู่ที่บ้านพักหนองน้ำแห้งของผมนะ่ะผมได้เตือนให้พวกคุณทุกคนได้ตรหนักถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางมาในเส้นทางสายนี้ก่อนแล้วแต่ขณะนั้นพวกคุณไม่เชื่อถือเลยเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลในที่สุดก็ได้มาพบกับของจริงอย่างเนี้ยเพียงแค่ระยะเดินทางอันแทบจะเรียกได้ว่าขั้นต้นเท่านั้นผมถามนีดเถอะ พวกคุณเห็นว่าผมทำอะไรละหลวมไม่รอบคอบพอล่ะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบนจับแขนเขาไว้แน่นยามนี้หล่อนหาใช่วัตถุแห่งความใคร้แล้วไหมหากแต่เป็นลักษณะของผู้ร่วมเป็นร่วมตายของคณะระพินคุณทำดีที่สุดแล้วละ่ะพวกเราไม่มีใครโทษคุณเลยแต่หวังว่าคุณคงไม่โกรธนะถ้าหากชันหรือพวกเรา จะแสดงความวิตกกังวลห่วงใยกับพวกเราที่หายเงียบไปใต้ภูเขาถล่มนี่เบรอย่าว่าแต่คุณเลยผมเองก็วิตกไม่น้อยไปกว่าพวกคุณเหมือนกันเพราะผมมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความปลอดภัยในทุกชีวิตอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับคณะของพวกคุณให้มันเกิดกับตัวผมเองซียังจะดีกว่า นอกเหนือจากคริสและคุณเชิดบุตรที่เป็นฝ่ายของพวกคุณแล้วคนคู่ชีพของผมอีกสองคนล่ะบุญคํากระจันที่ผมจะต้องห่วงถึงเขาอย่างยิ่งเหมือนกันถ้าจะพูดถึงความทุกข์แล้วผมน่าจะมีมากกว่าพวกคุณใช่อีกใะขณะนี้นะ่ะมันเพียงแต่ว่าผมไม่ได้แสดงออกไม้เห็นเท่านั้นนั่นเป็นแก่นแท้จากความรู้สึกจริงใจของคนชื่อรพินไพรวัน เบร์บีบแขนเขาหนักแรงอีกครั้งก่อนจะปล่อยออกฉันเห็นใจคุณดาพินแลวต้องขอโทษด้วยถ้าหากพูดหรือแสดงอะไรออกไปเป็นการไม่สมควรฉันสารภาพกับคุณมานานแล้วนี่ว่าฉันเป็นคนอ่อนแอที่สุดในคณะไม่เป็นไรครับเบรไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปแล้วคุณจะเข้มแข็งกล้าวแกร่งขึ้นเป็นลาดับ ดูหัวหน้าคุณเป็นตัวอย่างที่ขณะนี้ผมเชื่อว่าเขาทุกข์หนักกว่าทุกคนนะไหนตัวเองจะเจ็บมากซึ่งก็ยังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะกลบเกลื่อนปิดบงังแล้วก็เดินทางต่อไปให้ได้โดยไม่ต้องการให้เป็นภาระของใครไหนจะวิตกวงใหญ่ถึงลูกน้องที่หายไปอย่างไม่ได้ข่าวแต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรสักคาเอาแต่กักฟันเดินความจริงนะผมจะต้องให้เขาพักทันทีที่นี่ มันจำเป็นที่จะหยุดไม่ได้เลยจนกว่าจะถึงที่หมายและถ้าเขาเดินไม่ไหวพวกเราก็ต้องแบกเขาไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงที่พักเมื่อไหร่เรื่องอื่นนะคุณหยุดไว้ก่อนนะเบลรักษาดูแลสุขภาพอาจารย์ของคุณให้เต็มที่ผมยังไม่แน่ใจในการตรวจแบบคร่าวๆ ร, รีบด่วนของคุณเมื่อกี้นี้หรอกดีไม่ดีอาการก็อาจจะหนักลงกว่าเก่าก็ได้เร แ, แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เห็นกันอยู่ชัดๆก่อนดีกว่า อย่าเพิ่งไปคำนึงถึงสิ่งที่ยังมองไม่เห็นและยังไม่อาจช่วยเหลือทำอะไรได้ทั้งทั้งคิดและด็อเตอร์สแตนลียผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์สาหัสทีเดียวที่ยังเห็นเดินบากบั่นไปกับเราได้นะ่ะก็เป็นเพราะความมานะอดทนของเขาขีดสุดโดยพยายามปิดบงังซ่อนเร้นความเจ็บปวดทรมานเอาไว้แม่ผมแดงบักนี้เงียบกริบหล่อนเพิ่งจะมาจนหนักแน่เอาเดี๋ยวนี้เองว่า อริเอนเชนท์แมนหรือสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่กิรยิยาท่าทีหรือฐานะเสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆเลยแต่มันอยู่ที่อุปนิสัยใจคอและแก่นแท้จริงใจตลอดจนหน้าที่การรับผิดชอบต่างหักและมรุเทศนำทางหน้าหินคนนี้ก็คือสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงดังกล่าวหล่อนจะรู้ได้ ก็ต่อเมื่อมีโอกาสมาร่วมทางกับเขาในครั้งนี้เท่านั้นนอกเหนือไปกว่านั้นเขายังมีลักษณะของผู้นำอันสร้างความอบอุ่นไว้วางใจให้แก่ทุกคนในคณะได้อย่างเต็มเปีย่ยมสิ่งเหล่านี้แฝงซ่อนอยู่บนผิวเปลือกเบื้องนอกที่ดูว่าแข็งกระด้างยโสเห็นแก่ตัวและเต็มไปด้วยความซ่อนเร้นเงียบง่น สามทุ่มตรงเพียงคณะที่สะบักสะบอมก็บรรลุถึงเป้าหมายที่พรานใหญ่กำหนดไว้คือยอดเนินเขาสักดำซึ่งเป็นบริเวณป่าโปร่งบนยอดเขาการวางแคมป์กระทําขึ้นในทันทีพร้อมทั้งการหุงหาทุกอย่างถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วฉับไวมันเป็นยอดเขาเชยภูมิที่ปลอดโปร่งที่สุดเท่าที่จะหาได้ฝืนไฟถูกก่อขึ้น ยึดเป็นที่แรมคืนสำหรับราตรีอันสับสนนี้ระพินขอร้องคณะนายจ้างของเขาที่เหลืออยู่ในขณะนั้นอย่าเพิ่งวิทยุรายงานข่าวร้ายใดๆขึ้นไปยังหอบังคับการล้อยฟ้าที่ควบคุมการเดินทางอยู่ก่อนในยามนี้และขอให้ทั้งคีตกับสแตนลีย์นอนพักโดยเร็วที่สุดโดยการร่วมมือของหมอเบลคีตและสแตนลีย์ จึงถูกดับเครื่องด้วยยานอนหลับอย่างแรงภายหลังจากการตรวจสุขภาพให้แน่ใจอีกครั้งว่าจะไม่มีอะไรแทรกซ้อนรุนแรงดังนั้นภายหลังการรับประทานอาหารเพียงแค่รองท้องเล็กน้อยอเมริกันทั้งสองก็หลับกันอย่างสลบสลายในกลุ่มของบุคคลชั้นหัวหน้าจึงเหลือเพียงเขาและเบลสองคนเท่านั้นเพราะโชคดีที่แทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยจากหินถล่ม ไม่มีวี่แววว่าบุญคำจันเชิดบุตรและคริสติน่าจะตามมาสมทบกับคณะส่วนใหญ่ยังตำแหน่งที่กำหนดนัดหมายไวน้นี้ไม่มีแม้แต่เสียงตอบรับหรือเรียกมาทางวิทยุมือถือซึ่งเบคอยรับฟังอยู่ตลอดเวลา